พระธรรมเทศนาแผ่นที่104ลำดับที่14โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่18มกราคม2560มีชื่อเรื่องว่าปุพพการีทางธรรมปีนี้ใครๆคก็คาดว่ามันจะหนาว จะหนาวนานและจะหนาวจะเย็นแต่มาถึงจุดนี้แล้วก็ยังไม่หนาวนะอากาศพอดีพอดีอากาศช่วงนี้อากาศพอดีพอดีไม่ถึงกร้อนหนาว้าได้ขนาดนี้ก็ดีวันนี้เป็นวันที่18มกราคมพุทธศักราช2560วันพรุ่งนี้เป็นวันมราณาภาพของหลวงปู่ล่า แต่กี่ปีแล้วเนะี่ยหรือปีแล้วก็หลวงปู่จามด้วยนะปู่จามกับปู่รามบรรณาภาพวันเดียวกันวันที่19จะาแต่จำไม่ผิดนะหลวงพ่อก็ไม่ได้ใช้ไล่เลียงดูใกล้เคียงกันมากม ก, กรลาเหมือนกันที่หลวงพ่อได้ไปจัดงานแต่หลวงปู่จามเพิ่งจากไปเมื่อสองสามปีให้หลังเป็นหลวงอา แต่หลวงปูป่ราเนี่ยเป็นอาจารย์หลวงพ่อเป็นเนนนน้อยเนนน้อยของหลวงปู่ราบวชปี2500เป็นสมเณรจุดที่ผู้เจ้อกอบวชกบอยู่หลวงปู่ราแต่หลวงอาท่านมาเยี่ยมโยมแม่ของคือโยมยาที่เป็นแม่ชีมาที่ห้วยจาย่ายท่างมีเพื่อนทั้งกอา เรียกหลวงพ่อที่เป็นเนนเนนใหญ่อายุสิบแปดสปีมาอยู่เป็นเพื่อนจากนั้นท่านก็กลับขึ้นไปเชียงใหม่รอบหนึ่งพอกลับลงมารอบสองหลวงพ่อบวชเป็นพระได้มาอยู่เป็นเพื่อนท่านอีกเพื่อท่านจะให้เขา้เขาไปแสดงธรรมให้โปรดโยมเทศแสดงธรรมให้ยุนคุณย่าฟังคุณแม่ท่านฟัง ก็เอาหลวงพ่อเป็นเพื่อนเข้าไปแสดงธรรมตอนเย็นเกือบทุกวันท่านมานี่แหละจากนั้นทั้งสองพระ อ, องค์ทั้งพระอาจารย์ทั้งหลวงปู่ทั้งหลวงปู่จามก็ได้จากไปแต่แตามไม่จริงหลวงพ่อคิดว่าจะไปแต่เมื่อวานเนี่ยนะจะไปในงานขบรอบทั้งสองพระ อ, องค์ท่าน แต่หลวงปู่จามท่านไม่ได้จัดมาได้สองปีแล้วแต่แต่กสุดแท้แต่สมพานนะท่านก็ จ, จัดแบบย่อยๆก็คงจะจัดใหญ่เลยก็คงจะเป็นการฉลองเลยฉลองพิพิธภัณฑ์ของท่านพร้อมเลยหลวงพ่อก็ไม่ว่าเพราะเหตุเพราะว่าสมผานของเขาท่านจะเอายังไงกับสุดแท้แต่เพราะเป็นเจ้าของวัดเราก็นในฐานะเป็นลูกหลานก็เิงอยู่แต่มันอยู่ห่าง แดีวเราไปจัดในวัดของท่านมันก็ดูอะไรมันก็ไม่ถูกต้องอ่าสมพานของท่านท่านไม่เอาะท่านก็คงจะมีเหตุผลของเขาก็มังแต่หลวงปู่ล่าเนียจัดทุกปีแต่หลวงพ่อไปทุกปีแต่ปีที่แล้วหลวงพ่อไม่ได้ไปแต่ปีนี้คิดว่าจะไปล่ะแต่ว่าพอมาถึงจุดนี้ก็เป็นวัดอีกแล้วเนี่ยอ่าเป็นวัด วันนี้ก็ค่อยยังชั่วขึ้นมาหน่อยแต่ถ้าไปอีกวัดมันคงจะถล่มลงไปอีกหลวงพ่อคิดหนักเหมือนกันนะเพราะว่าสุขภาพนคนแก่อย่างหลวงพ่อถ้าไปเข้าไปนั่งรถระยะระยะหนาวยาวนานเป็นสี่้าหชั่วโมงรถแอร์อีกต่างหากพร้อมเตอที่จะเป็นนิวโมเนียปอดบวม แล้วคนน้ำท่วมปลอดเข้ามาอีกออผลที่สุดไม่รู้เราจะไปเคารพคลาวะท่านหรือออกไปเป็นภาระให้กับสัตธาญาติโยมลูกหลานทั้งฝ่ายนู้นก็ใหม่สาบเหมือนกันเพราะนั้นการที่จะไปตรงไหนอย่างไรหลวงพ่อต้องคิดแล้วคิดอีกเหมือนกันนะมีชัยว่าที่จะพอจะไปเขาไปเลยเต้องคิดก่อนว่าไปไหวไหม ถ้าว่าไปไหวก็ไปแต่มันไปแล้วมันเกิดปัญหาข้างหน้าอันนั้นก็สุดวิสัยเพราะว่าเราเดาไม่ถูกเพราะชีวิตของเราร่างกายของเรามันเป็นอนิจจังตลอดเวลามันไม่ใช่เป็นนิจจังเป็นอนิจจังพร้อมที่จะเกิดขึ้นเมื่อไรเวลาใดก็ได้แต่ว่าถ้ามันเกิดขึ้นมาก่อนแล้วเราต้องดูซะ ก, ก่อนว่าถ้าเราไปจุดนั้นจะเสี่ยงเกินไปไหม จุดนี้หลวงพ่อก็ต้องไดคิเพราะนั้นวันนี้หลวงพ่อคงจะปฏิเสธคงไม่ไปในงานของหลวงปู่ทั้งสองพระ อ, องค์แต่รักเคารพกราบไหว้เทิดทูลบูชาในพระคุณทั้งสองพระ อ, องค์แต่ที่ยังไงไปไม่ได้ก็เมื่อไม่นานมานไ้ขอศรัทธาญาติโยมก็มาได้มนหลวงพ่ออีกเหมือนกันไปกราบสังเวยนิยสถานที่ประเทศอินเดีย เขาจะพร้อมหมดทุกอย่างขอที่มนหลวงพ่อไปเตรียมเตรียมพร้อมแล้วนะพร้อมที่จะไปผู้ใหญ่แต่หลวงพ่ อ, อเดี๋ยวดูร่างกายซะก่อนนะดูสุขภาพซะก่อนเคยไปมาครั้งหนึ่งแล้วประเทศอินเดียแต่ก็ยังคิดอยู่เหมือนกันนะเพราะเป็นสถานที่ประสูตรัสรู้ปรินิพานคือบ้านพ่อใหญ่บ้านทวดบ้านต้นตระกูล คงจะไปกราบไปไหว้แต่ว่าดูสุขภาพตนเองแล้วดูชักจะไม่ไหวอีกเหมือนกันก็ได้ปฏิเสธไปอีกเหมือนกันเพราะนั่นเรื่องการไปที่ไหนก็ตามหลวงพ่อต้องคิดดูนะถ้าไปแล้วถ้าไปเจ็บไข้ได้ป่วยในจุดนั้นเป็นภาระของคนผู้ตามไป้วยเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นคณะ เขาก็จะตำหนิหลวงพอ่อเลยโอ้ยหลวงพ่อเอ้ยสุขภาพตัวเองก็รู้ๆอยู่แล้วก็เป็นไปไม่ได้ทำไมมาทำไมไม่รู้หรอสุขภาพตัวเองก็น่าจะรู้นะเนี่ยเขาคิดถ้าเขาไม่พูดออกมาเขาคิดเพียงแค่นั้นนะเราก็เราก็ดูๆแล้วเหมือนกับเราไม่รู้จักประมาณตนเพระนด้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนะ หลวงพ่อคิดไว้พอสงกรนะคณะสัทายาิโยมลูกหลานเพราะโลกโลกนี้เป็นโลกอนิจจงโลกติจังโลกทุกขังโลกอนัตตาไม่รู้วันมันจะหลุดหล่นหลงเวลาใด ก, ก, ก็ไม่รู้อีกเหมือนกันเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่ก็ส่งสังสมคุณงามความดีไปประกอบคุณงามความดีไป สิ่งที่มันไม่ดีอย่าทำอย่าคิดอย่าพูดอย่าทำในสิ่งที่มันไม่ดีถ้าคิดทำพูดในสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่มันไม่ดีนะจะตามมาจะให้ผลมาตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังทำคำสอนของพุท ธ, ธะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะอยู่ในสถานะไหนเราเป็นพระก็เป็นพระที่ดีเป็นโยมก็ให้เป็นโยมที่ดี อยู่ในกรอบของศีลธรรมเป็นอยู่เป็นฆราวาสก็อยู่ในฆรวาวตสธรรมฆรวาวตสธรรมธรรมของฆราวาสถ้าเป็นบรรพชิตก็เป็นบรรพชิตอยู่ในอนุสาสนิสัยสีอริยนิสัยสี่กิจที่ควรทํำของบรรพชิตให้ถูกต้องถ้าเป็นฆราวาสก่น ฆรวาส ธ, ธรรมธรรมของฆรวาสที่พระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสเอาไว้สัจจัดนะขึ้นต้นาต้องสัจจะนะการอยู่ด้วยกันต้องมีสัจจะถ้าหาว่าคนไม่มีสัจจะคนหล่อแหละคนไม่มีความจัดจิงการครบค้าสมาคมกันก็ครบระยะไปเลยเพราะว่าขาดสัจจะยิ่งเป็นพอค้าพอขาย เอยิ่งเป็นพ่อค้าก็ยิ่งไม่น่าเชื่อไม่น่าไว้ใจเพราะว่าตกลงกันแล้วอย่างหนึ่งพอออกเข้ามาอีกเป็นอย่างหนึ่งขนาดเขียนสัญญาไว้แล้วชัดเจนแล้วก็ยังเบี้ยวได้อีกเพราะอะไรเพราะว่าเพราะอะไรเพราะขาดสัจจะทำมาค้าขายด้วยกันไม่ได้นี่แหละสัจจะของพระพุทธเจ้าท่านเนี่คารวัตรธรรมธรรมของคารวัตการอยู่ด้วยกันต้องมีสัจจะ คือความจริงจังและจริงใจพูดอย่างไรรับอย่างไรปฏิบัติตามนั้นธรรมะให้รู้จักข่มจิตของตนการอยู่ด้วยการการเป็นหมู่เป็นคณะจะเอาแต่ใจตัวเองก็ไม่ได้ต้องรู้จักมันมีอารมณ์โมโหโกรธาขึ้นมาความโกรธขึ้นมาไม่พอใจขึ้นมาเราต้องข่มจิตข่มใจของเราเอาไว้เพราะว่าเราอยู่กับหมู่กับคณะ จะเอาอย่างใจตัวเองไม่ได้ธรรมะรู้จักข่มแล้วก็ขันติให้มีความอดทนอดทนต่อหน้าที่การงานอดทนต่อกิจการงานต่า ง, างๆที่มอบหมายให้มาให้เราทาถึงจะมันยากลำบาก เ, เราก็พยายามทำด้วยขันติขันติคือความอดทนคำนี้มันมีมากกว้างขวางนะขันติอดทนต่อ ความหิวความกระหายดินฟ้าอากาศร้อนหนาวขันติตกคู่คนติชินนินา่าดูถูกเกียรติยำมันมีมากคำว่าขันติคำนี่ เ, เราต้องอดทนต้องมองเหตุและผลว่ามันเป็นมาอย่างไรเพราะเหตุอะไรต้องดูถ้าเราไม่มีความอดทนในใจอะไรเกิดขึ้นมาในหน่อยอก็เสียสมาธิและเสียการ ปฏิบัติงานอันนี้ก็ทําให้เสียการงานได้ต้องมีขันติเป็นพื้นฐานแลว้วก็จาระจุดท้ายคือจาคะต้องเป็นผู้เสียสละต้องยอมเสียสละการเสียสละคํานี้ก็คือการทานะคือให้ทานให้เสียสละกับใครเราเกิดจากพ่อแม่เราก็ต้องให้ให้การเสียสละกับให้จาคะกับพ่อแม่ซะก่อนเป็นอันดับแรกนะ พ่อแม่เลี้ยงดูเรามา เ, เราก็ต้องจาคะให้กับพ่อแม่ของเราจากนั้นก็จาคะให้ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดที่มีพระคุณสำหรับเราเนี่ยแต่ละคนแต่ละคนพระคุณไม่เหมือนกันนะญาติพี่น้องของเราผู้ใดมีพระคุณเราก็ให้จาระคะคือเสียสละให้กับผู้นั้นดูแลท่านให้ดีพอสมควรตามอัตภาพนี่แหละ ธรรมของคราวาตคราวารัตธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนเอาไว้ขึ้นตอนอ้นว่าสัจจะสัจจะคือความจริงจังและจริงใจมีสัจจะต่อกันธรรมะรู้จักข่มจิตของตนขันติให้มีความอดทนจาค่าให้มีการเสียสละต่อพี่ต่อผู้มีอุปกระคุณสําหรับเราหลักธรรมคำสอนของพุท ธ, ธะถ้านํามาประพฤติปฏิบัติแล้วมีแต่ความ เจริญรุ่งเรืองมีแต่ความร่มเย็นผาสุกนะในหลักธรรมคาสอนของพุท ธ, ธานะท่านสอนเป็นหมวดหมู่สอนเป็นหมวดหมู่สอนเป็นเนื้อหาเป็นสอนเป็นกลุ่มสําหรับคราวาสผู้ที่ทรงฆราวาสท่านก็สอนอยู่ว่าตระกูลอันมั่งครั่งตระกูลคือพี่ผู้ครองคราวาส พู้ตระกูลอันมั่งครั่งไม่ตั้งอยู่ได้นานเพราะสถานสี่ท่านรมสอนทำหมวด4ี่หนึ่งไม่สแสวงหาพัสดุที่หายแล้ว 2. ไม่บูรณะพัสดุที่ค้ำคล้า 3. าไม่รู้จักประมาณในการบริโภคสมบัติ 4. ตั้งสตรีหรือบุรุษสินให้เป็นเจ้าของสมบัติอันนี้ก็คือตระกูลอันมั่งครั่งตระกูลจะล่ำรวย ขนาดไหนอยู่ไม่ได้นานเพราะสถานศีลไม่สแสวงหาพัสดุที่หายแล้วรถหายก็ดีสิ่งของหายก็ดีเอ่ไม่สนใจที่ของที่มันหายหายแล้วกว่าแล้วไปผลในสุดคนที่จ้องขโมยก็จ้องขโมยเสี่เอยผลในสุดก็เลยของใช้กันพอมันหายไปก็ซื้อมาใหม่แต่มาใหม่ก็หายไปเองซื้อมาใหม่ผลที่สุด <c ười> คนที่จ้องขโมยขโมยไปเรื่อยเสีย ตัวเองก็มีแตหาเงินผลในสุดมดเงินเถอะนี่ที่จะซื้ออทะเลาะวิวาทกันอีกต่างหากแต่กระจุยกระจายกันนถอะนี่เพราะอะไรเพราะไม่มีการรักษาเนี่ยถ้ามันหายไปแล้วก็ใครเป็นคนออกไปเอมันหายไปได้อย่างไรใครเป็นคนเอาไปต้องสืบสอบดูสิแต่พอสืบสอบดูแล้วเท่านั้น่ะเขาคนที่ออกไปเขาก็กลัวอะไรเถอะนี่โอ้ไม่ได้เอนี่แหละ ต้องสแสวงต้องดูของที่หายแล้วน่ต้องใส่ใจไม่สแสวงหาพัจดุที่หายแล้วเนี่ยไม่บูรณะพัจดุที่คล้ำคลาจะเป็นรถก็ตามเป็นศาลาก็ตามเป็นบ้านพักพา้าอาศัยก็ตามที่มันคล้ำคลาดเนะ่ยเราไม่บูรณะไม่ดูแลไม่ซ่อมแซมเสือของเราขาดเพียงรูเล็กๆเราก็เย็บไว้ เขาใครจะไปเห็นมันเราก็ใช้ไปอีกได้นอนแต่เราไม่ดูแลรักษาเดี๋ยวก็เสื้อขาดก็หายไปเลยก็โยนทิ้งซื้อผืนใหม่มาอีกทั้งที่มันจะประหยัดเจ้า ก, กับใช้แบบไม่ประหยัดเสียเงินไปอีกโดยไร้ประโยชน์นี่แหละไม่บูรณะพัตดุที่ ค, ค้าคลากหลังคาเพียงรั่วเพียงรูเดียวน้ำฝนหล่นลงมา แต่ขึ้นไปปิดซะเอาสังกะสีปิดเอาก้อเบื้องไปปิดเ อ, อมันกระจบแต่ให้ปล่อยให้น้ํามันรั่วลงมาพรมข้างล่างก็เสียพื้นข้างล่างก็โขกน้กํากดดันขึ้นมาอีก เ, ออเตียงอะไรก็เสียหายหมดเออผลที่สุดทั้งที่จะเสียเพียงหน่อยเดียวเสียหายอย่างมากกว่าจะซ่อมแซมเสร็จได้เป็นเงินเป็นแสนเป็นล้านก็ไปและทีนีน่รถของเราก็เช่นเดียวกันนั นี่แหละไม่บูรณนะพัฒดุที่คขำคล้าไม่รู้จักประมาณในการบริโภคสมบัติอันนี้ตัวนี้ใหญ่นะ่ะไม่รู้จักประมาณตัวตัวเองทั้งที่ตัวเองหาเงินมาได้ขานาดนี้ไปกู้หนี้ยืมสินมาพลุงพลังผลที่สุดนี่นนะ่ะไปหาขอคนนั้นไปหาคนนี่คนนั้น เ, เพราะตัวเองไม่รู้จักประมาณในการบริโภคเราได้เพียงแค่นี้ เราก็บริโภคเพียงแค่นี้มันจึงจะถูกนะเพราะเราหาได้มากเราก็บริโภคมากแต่ เ, เราหาบริโภคหาไม่ได้เราจะบริโภคมากได้อย่างไรเพราะเราหาได้น้อย เ, อเหมือนกับเราสถานะของเราเสมควรจะจั ก, กรยานแต่เราเนี่ดันไปซื้อมอตเตอร์ไซค์ทีนี้ทอยังไง ดิ้นเลยสยยพอในสุดทาเงินไม่ทันงวดไม่ทันไปหาปน้นไปหากดไปหาขามโมยเขาเลยสิย เ, ยเออขอพี่น้องด่าไปหมดเลยสเนี่ยถ้ า, าสถานะคนุณในสมควรถึง ม, มอเตอร์ไซค์กลับไปซื้อรถปิกอัพเออซื้อรถเก๋งญี่ปุ่นซื้อรถเก๋งฝรั่งเข้าไปเรื่อยเลยสิเกินสถานะของตนเองเดือดร้อนเลยนั่นะไม่รู้จักประมาณในการบริโภคสมบัติ ทำให้ตนเองเดือดร้อนเพราะนั้นพวกเราทั้งหลายไม่มีใครที่จะรู้สถานะของตนเองว่าเราอยู่ในสถานะไหนในขณะนี้นี่แหละอันนี้หลักธรรมคำสอนของพุท ธ, ธะที่ท่านตรัสท่านกล่าวไว้แล้วถึง 2,560 ปีเ้ารยสปีนปไงเอามาพูดทันสมัยไหมถูกต้องไหมแล้วก็ตั้งสตรีหรือบุรุษสินให้เป็นเจ้าของสมบัติ อันนี้คือข้อสุดท้ายนะเป็นข้อที่สี่นะตั้งสตรีหรือบุรุษทุสินให้เป็นเจ้าของสมบัติในเมื่อครอบครัวนั้นสามีภรรยาลูกนะแต่พ่อบ้านออกนอกลูก่นอกทางไปเที่ยวไปเตะสัมภระเทเมากินเหล้าออเมายาไม่รับผิดชอบในครอบครัวแต่แม่บ้านก็นิสัยอ่อนได้เงินเดือนมาได้อะไรมากับมอบให้พ่อบ้าน เป็นเจ้าของเป็นผู้จัดการาพ่อบ้านกับะเละทะลเะแลกไปเรื่อยพอที่สุดตระกูลนั้นก็อยู่ไม่ได้แต่กระจุยอีกเหมันกันเพราะอะไรเพราะว่ า, าตั้งสตรีตั้ ง, ต, งตั้งบุรุษให้เป็นเจ้าของสมบัติเมื่อแม่บ้านก็เหมือนกันพ่อบ้านแม่บ้านแต่แม่บ้านทะเละทะลเลไม่รู้จักความรับผิดชอบพ่อบ้านเขเก่งใจหมกความไว้วางใจเอาเงินให้แม่บ้านทั้งหมด ได้เงินเดือนมาแต่เราก็ให้แม่บ้านเป็นผู้จัดการเป็นผู้เอจัดเอาของอาหาราจ่ายเงินแต่แม่บ้านได้เงินมาใจใหญ่ใช้ไอลูชุยแชกไปหมดเมีอะไรขวางหน้าจ่ายไปหมดพอในสุดกันะเป็นเนศินพลุงพลังพอในสุดก็แตกกระจุยกระจายกันอีก น, ะนี่แหละอันนี้ก็คือตั้งสตรีหรือบุรุษทุสินคือเป็นผู้ไม่มีสินไม่มี จริยวัตไม่มีจริยธรรมที่ดีเนี่ยคนขาดศีล น, นีมาเป็นเจ้าของสมบัติเสียหาย น, นี่แหละพระพุทธเจ้าท่านตัดท่านกล่าวเอาไว้ตระกูลอันมั่งคลั่งอันมั่งคลั่งไม่ตั้งอยู่ได้นานเพราะสถานสี่ไม่สแสวงหาพัจดุที่หายแล้วไม่บูรณะพัจดุที่ค้ำคล้าไม่รู้จักประมาณในการบริโภคสมบัติ ตั้งสตรีหรือบุรุษทุสินให้เป็นเจ้าของสมบัติอันนี้คือธรรมของพุทธะที่พระพุทธเจ้าที่ท่านสอนพวกเราพุท ธ, ธบริษัททั้งหลายให้พวกเราคิดดูซินะนําไปพิจารณาดูเพราะนั้นตัวของเราขาดจุดไหนหรือมันไม่ขาดแต่มันไม่ขาดก็ากภาคภูมิใจที่วันไม่ขาดไม่เป็นอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสท่านกล่าวเอาไว้ มันขาดนิดๆแล้วก็ อ, อจุดเน้นใช่จริงเราควรจะทําให้เต็มขึ้นเพิ่มเติมให้เต็มขึ้นในจุดนั้นมันจริงอย่างที่ท่านได้ไดตรัสได้กล่าวเอาไว้นี่แหละอันนี้คือหลักธรรมคาสอนของพระเทเจ้าเป็นกระจกเงาหรือเป็นเส้นบรรทัดที่พวกเราจะเดินตามแนวแถวพระธรรมคําสอนของพุทธะถ้าเราเดินตามและปฏิบัติตาได้ตามหลักธรรมคาสอนแล้วนะชีวิตของเราทั้งชีวิต ก็จะราบรื่งเจริญรุ่งเรืองทั้งคดีโลกและคดีธรรมนะเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะพระเนรลูกหลานทุกองคศรัทธาญาติโยมทุกคนที่หลวงพ่อได้ยิบยกดิบยึบยกทำคํากล่าวเป็นธรรมคากล่าวของพระพุทธเจ้าที่มาบอกกล่าวขยายผลให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังแต่วันนี้หลวงพ่อเองก็อย่างที่เราพูดเบื้องต้นว่า ช่างจิตช่างใจว่าจะไปภูเจ้ากมุกดาหารที่เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อที่หลวงพ่อรักเคารพยิ่งที่ว่าเป็นบุพภาการีทั้งฝ่ายธรรมะเนี่ยบุพภาการีทั้งฝ่ายโลกก็คือพ่อแม่ของหลวงพ่อเนี่ยเกิดมาจากพ่อแม่เนี่ยหลวงพ่อระลึกถึงพระคุณของค่ท่านอีกเหมือนกันที่ท่านเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เกิดมาแต่เมื่อ ใหญ่ขึ้นมาท่านก็หมดวิชาที่จะสอนแล้วท่านก็ส่งมาให้หลวงปู่ล่าหลวงปู่ล่าท่านก็รับเราก็เป็นศิษย์ของท่านเป็นลูกหลานของท่านสมัยนั้นท่านก็อายุเพียง30กว่าปีนะจาาตหายาโยมท่านบวชมา11ปี1 1บเอพรรษาหลวงพ่อก็11ปีปีนั้นนะปีบวชนะพรรษาหลวงปู่ล่าเท่าไหร่ ه, กถ็ถ้าท่านอยู่ถ้าว่าท่านอยู่เดี๋ยวนี้นะพันยาพรรษาของหลวงปูลป่ลากเจ็ดสบสปีแล้วเจ็ด2ิบสองปีจะเขาเจ็ดสบสาปีแล้วหลวงปู่ลาเจ็ดหลงพ่อบวชปีท่านบวชพอดีเนะี่ยอยู่กับหลวงปูล่ลาเป็นเวลาเกปีอยู่ที่พูโจก่อนนะท่านก็สอนแล้วสอนอีกแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวเป็นเลนน้อยอยู่กับหลวงปู่ จากนั้นก็มาอยู่กับหลวงอาเป็นเวลาสองปนะีชีวิตของหลวงพ่อเนะี่ยเป็นชีวิตนักพจนักบวชมาโดยตลอดจากนั้นก็ไปอยู่กับหลวงปู่แหวนอีกปี2510 2511ขับมาลงอยู่กับหลวงปู่จามอีกรอบรอบที่สองท่านพาลงใหม่2 5 1 2นะมาอยู่ที่บ้านตาดนะ จนถึง2 5 2 5ปนะ่าอยู่กับหลวงป่านดาที่นานก็เพิ่นท้างหมดอยู่กัหลวงตามหาบัวนะไม่ไม่ได้ขยับไปไหนเลยอยู่ท่่นั่นตลอดออกจากนั่นก็นมาที่นี่เลยละ่ะนี่แหละชีวิตของหลวงพ่อเป็นชีวิตของพระป่าพระดงจรงิจรงๆเออแต่ดูก็ดูแล้วก็อเออนึกย้อนหลังดูก็มากหน้าภาคภูมิใจอย่างหนึ่งเหมือนกันนะเพราะอะไรเพราะว่า ตัวเองไม่ได้ทําความชั่วเสียหายอะไรเป็นนักพจนนักบวชมาเรื่อยๆปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมอยู่กับครูบาอาจารย์อยู่กับปะพระป่าพระดงดําร ง, งทรงธรรมมาเรื่อยๆ อ, อ, อยู่ในหลักพระ ธ, ธรรมมาล่นหลักพระธรรมวินัยมาเรื่อยๆ เ, เพราะครูบาอาจารย์แต่ละองค์ก็เป็นเป็นผู้มักน้อยสันโดษทั้งนั้นแต่อยู่องค์หลวงปู่ล่าก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันในการแนะนําสั่งสอนคุณธรรมของท่าน เป็นผู้มักน้อยสันโดษมาอยู่กับหลวงปู่จามก็เป็นพระที่สันโดษมากอีกเหมือนกันไม่ลืมตัวเนี่ยมาอยู่กับหลวงตามหาบวัวโอตอนนี้เข้มงวดกวดขันมากตัวนี้เออเนี่แหละมาอยู่กับหลวงปู่แหวนท่านก็ไม่พูดเมีแต่ท่านทําให้เป็นตัวอย่างให้ดูตนเองหลวงปู่แหวนพูดน้อยมากอายุของท่านก็มากแล้วขาวนั้นมีแต่หลวงปู่หนู่่เป็นพระที่รองลงมาท่านแสดงธรรมทันเทศให้ฟัง ทุกวันพระทิ่ศัธาญาติโยมมาแต่หลวงปูแ่แหวท่านไม่พูดนี่แหละหลวงพ่อไปอยู่กับครูบาอาจารย์ถือว่าเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์หน้ารักเคารพนับถือเลื่อมใสถ้าไม่มีครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนบอกกล่าวเราจะเป็นคู่ขนขึ้นมาได้อย่างไรเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจึงน้อมกับคารวะถึงเรา จะไม่ได้ไปในงานครบครอบของท่านห่างไกลเราก็ยังยกมือไหว้เคารพคารวะท่านอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับพระพุทธทเจ้าท่านอยู่ประเทศอินเดียแต่ัตรูที่ประเทศอินเดียแต่เราอยู่ประเทศไทยแต่เราก็ยังน้อมน้อมลึกถึงกราบคารวะพระพุทธทเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในจิตในใจอยู่ตลอดเวลานะเพราะอะไรเพราะว่าเรานับถือพระธรรมคําสอนของพุทธะ เป็นสวากาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วถูกต้องเป็นธรรมเพราะนั้นเราจะอยู่ณสถานที่ใดเราก็ยังหนอบน้อมการาบไหว้คารวะเคารพสักการะต่อพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์ต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เร า, เาไดา้ศึกษาดนะน เ, เข้าไปเคารพได้ไปศึกษาในธรรมคาสอนของท่านท่านได้แนะนำสั่งสอนบอกกล่าวเรา เราก็จะนำทำคำสอนของท่านมาประพฤติปฏิบัติก็ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์บอกกล่าวแนะนำแล้ว เ, เราก็คงจะ เ, เป็นคนดีเป็นแนวความคิดที่ดีไม่ได้เหมือนกันนะเพราะนั้นถ้าลบาลบไปครบคนพ่านมันก็ไปทางผิดอีกเหมือนกันทนะ่านนั้นเราครบเสียบัณฑิตนะเนี่ยบัณฑิตนักปราชญ์พาไปหาความสุขความเจริญได้นะ อตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพร